เทศอบรมพระวันที่31มอมีนาคม 2,521 ปลุกใจดีตลอดพูดเรื่องทานเรื่องพระเวศสันดรให้ทานด้วยเมตตาพระสมัยพุทธกาลท่านสอนคนด้วยเมตตาด้วยธรรมท่านไม่รบกวนใครคนเราชอบยอ่อตื่นลมตื่นแรงไปตามกิเลสตัวชอบยกยอ ให้อยู่ง่ายกินง่ายไม่พรุงพังแต่ความเพียรไม่ถอยหลังการระงับความกลัวตายนั้นของจิตคือสมาธิปัญญาความกลัวเป็นภัยมิใช่เสือเป็นต้นเป็นภัยพูดเรื่องเห็นกายเิ็มที่ที่วัดหนองผือจนจิตว่างหลายชั่วโมงพูดอนัตตาอาทิตตะถึงที่สุด นี้ดีมากตลอดหมดเทป พ, พอดีฟังอัดได้ทั่วไปขับเป็นปรถปุ๋ยยาวสองฝั่งลงทุ่งเทแย้สลักไม่มีใครสมองเหม่นได้เรื่อยมาวาละเือนถึงวาระสุดท้ายคือโควิดฉันรอนก็ดูเอากระเทือนทั่วโลก กานเสียสละด้วยความเมตเองที่ทำให้เป็นกันไม่ใช่อะไรที่เสียสละนั่ให้ทางไปด้วยวามเาตตาเวลางประหนึ่งเสียสละทุกสิ่งทุ้อย่างเราโธิญาณ ท่นบอาบนแนสนนาก็มีสูงท้อถอยเป่นเด็ดจะรู้ทเป็งศาสดาสุ้มพระชายหมายแลย้วก็น้าบอกคาสอนโลกไม่มีอานิจเจริญผลนอกจากจะรูแล้วก็ชงเรยียนญาณเรียนานดูจัตโตโลกใครจะได้บรรลุธรรมก่อนนั้นเรนี้ดาบททั้งสองเทวินดาบุอุตการดาบทเลยดืมไปแล้ว บอกคนที่จะได้บรรลุธรรมก่อนแต่กระทรงสร้างในขณะเดียวกันนั้นว่าชีวิตคณะทั้งตวันนี่น่าจะไยดายรทรงเลียงอีกก็เห็นเป็นตะวกีทั้งห้าน่นมา น, ะนันดเลียงหัวใจค น, นเลียงหาเงินหาทองหาเข้าหาของหาความเคารพนับถือหาตัดสกการะเหมือนอย่างทุกวันนี้นะ ดูทิดปเป็นไหมโลกศาสนาแต่ก่อนทุกวั น, นทุกวันชารธรรมเป็นธรรมจริงๆผู้ทรงทรงธรรมาจริงๆปฏิบัติธรรมจริงๆเจตนาเป็นธรรมหัวใจเป็นธรรมเกี่ยวข้องกับผู้ใดเป็นธรรมท้่มันไม่มีโกกรคเขาไปเกีย่ยวนี่เราทแค่เพียงเทาน้เพราะฉะนั้นศรส่า ไปที่ไหนจริงทำความรบเรียนให้เก่งโลกนีงมากมายไม่ต้รบกวนฝีใดกับใครกวนหนึ่งลามนิดรไม่งควรมีกับความสูงข้อโลกไม่ได้กวนโลกส้างอะไรก็ไม่รู้ละมัมีโลกเข้ปเบี้ยวปน อยู่ก็เป็นพอไปบอกในกะารบวชกับลุคโมเลเซนาช น, น, นังแน่งสิบอกให้สั้งฮอรสาราชนัทียนอยู่ดวกสบาน่นนีว่าลุคโมลเซนาชนังตอนนั้นเชื่ออยู่ว่าลมรราาานานงลมรรยถมาาา้เาขาก็าจะได้เห็นโพื่อถิ่นไทยเาว่าตัดสงสาร การปฏิบัติจะได้เป็นแข็งความเป็นอยู่ป่ววายแเหนั้นกันเพราะชีวิตที่เป็นไปวันหนึ่งวันนึ่ก็พอเพราะนั่นปฏิบัติทำสมใจเป็นของสาคัญผมงเขาวออกไปประกาศปาศาสนาก็เพื่อทำนุ่นล้วนกพหาใจคนแท้ไม่ เปลือโลกามิสอะไนทั้งหมดเราลองเกลีอยดูดิจะไมขั้พุทธกายก็มีแบบแสนตำหับตำลายอยู่แล้วนี่ใครๆก็เห็นนี่หน้าสุกสทำงนกันยังไงท่านอยู่กันยังไงท่านปฏิบัติกันยังไงหัวใจเป็นธรรมทั้งหมดนี่เป็นท้าบาทยังมีในทรนมา มันยืนยัน่าหวจิตมันยยกออกไปถึงบองอาหารไม่จะได้อาหารดีเลยมาฉันบางนานเพราะว่างั้นพอรู้สึกนั้นดยุดทันทีไม่ไปเลยส่ายไปเพื่อพุมงนะไม่ไปเพื่อทำมันจะหยุดเลยไม่ไปตรงนี้ในต่างว่าในต่างภีนั้นไงระดับขันบ้านท่าน พบความเป็นที่นั้นเรื่องของกิเลสเรื่องแก้กิเลสท่านต้งเห็นจริงวนี้เป็นไผ่ท่านทีเนีเป็นสาธารณของพวกเราทั้งกลางสนามกระฉามทั้งกลางสนามานะฉามท่านลองนี้แลที่เป็นกลางสนามกระฉามจะเป็นท่านเ่าไหนเราทั้งหลายนี้ก็แต่จะเป็นสานาของตัวเองก็ยังไม่ได้จะเป็นทั้งกลางสนามกระฉามนี้เก็บประชาชนได้อย่างไร เป็นพลังกของมันไมได้ช่วยตัวเองก็ยแไม่ได้หนังผิดกันศาสนาค่อเปลี่ยนแปลงมาเปลี่ยนแปลงมาตั้งศีลทำพิธีในงำพงพีใบรานของแบบแผนตลรทํางาไม่ออย่างสมบูรการปฏิบัติมันก็เป็นค่าสิตต่อธรรมโดยลำดับลาดับ แสดออกทางการทางวาจาทางใจนี่จะเป็นค่าสิบของธรรมค่าสิบของมรรคผลนิพพานเป็นการเข้าฝ่ายพิเรศเสมอแล้วจะเอามรรผลนิพพานมาจากไหนพิเลศไม่เคยให้คนได้บรรลุมรรผลนิพพานนอกจากธรรมที่เป็นเครื่องฆ่าพิเลศมีศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นเท่านั้นที่จะผลักมรรคผลนิพพานให้คนได้ให้ผู้ปฏิบัตินด้ ไม่ได้สําเร็จด้วยการอันลงก่อนผันรู้สึกเสริยิ่เลดทั้งหลายเปน็นนักผู้ปฏิบัติจึงเลงอย่ามองไปอื่นให้มองไปพุทธทางธรรมสังขารศาสนาเป็นหลักสำคัญความพึ่งเป็นพึ่งตากับท่านภายใจิตใจก็พึ่งแล้วความพึ่งเป็นพึ่งตากับท่านในข้อปฏิบัติที่ท่านพิจารณาแสดงว่าอย่างไร หรือท่านปฏิบัติอย่างไร ท, ท่านดําเนินอย่างไรน่นก็เป็นอีกอย่างยึดนะทนที่ยึดเป็นขัข้น้ๆเลยทําไมปล่อมโลกนี้อย่างนี้แล้วเขาจะ ส, จสืกอสารท่านย้อนดีขนาดไหนก็อางเราเห็นนี่เนี่ยจะตื่นมันอะไรนี่ตีมันนั่นเป็น น, นั้นเป็นนี่เป็น น, นั่นเป็นนี่ว่าที่เหยในป่า คนรังชอบยอกินแต่ลมก็อาเขายกยอขึ้นๆวาเป็นนั่นเป็นนี่โอ้โหผืนผายตาฝ้าตาฟางเป็นไม่มองเห็นทางมือเป็หมดพอตกกระป๋องเนี่ยไม่มีใครเยอะเลยแล้วอะไรท่กเกิดขึ้นไม่มีใครนับถือนั่นนีันโลกเป็นนั้น ฟูขึุ้บลงฟูขึ้นฟุบลงเนี่ยมอโมโลกะธรรมโลกะธรรมอเป็นอะไรเป็นเรื่องของยิ่งเล่นจะรู้โลกะธรรมก็ต้องเป็นผู้เรียนธรรมรู้หลอกผอบมีอะไรเรียนถึงจะั่งก็ถามอยเสมออยากจะมองไร เราตื่นเต้นกับโลกกับสงครามนั่นแค่นั้นแหละใครจะอยู่โลกใดทวีปใดก็อยู่เถอะความมั่งมีสิสุขขนาดไหนยัมามากน้อยมันอยู่ต้นหน้าของพิเดรพิเลรเราเป็นเครื่องมือทั้งหมด น, นี่มีหะความสุขที่ไหนดูนังสือเยที่ผินนั่นมันน่าดูหมเราดูด้วยความคิดเราดูอืมโอาภาพนัพ้นคีผิน พอแล้วไม่ดูเป็นแบบโลกโลกเราดูเป็นแบบธรรทั้งนั้นนี่จะดูมันจิ่มันมันก็ไม่เป็นแบบโลกจิตมันัเป็น้องมันเองมันจะมีเนื้อของมันจนได้อ่ะพงอาห์อ่านคิดจงอาห์ไปคิจาห์ไเรื่องความเป็นอยู่ของโลกความวุ่นวายของโลกความเปลี่ยนแปลงของโลกมันเปลี่ยนแปลงไปทางไหนมันมีวุ่นวายเปลยนยังไงมันจะเป็นสาเหตุนํามาที่ความถูความดูความหนาวมันคงด้วยความร่วมละลาย มันดูไปงั้นนะเวลาชุมนุมกันแล้วก็ถ่ายภาพถือแก้วแก้วแล้วกันไม่รู้ละเบียร์แก้ ว, กวน้ำชากแก้วเหล้าอะไรก็นไม่รู้ต่างคนต่างถือแล้วต่า ง, งา่ายิ้แย้มเหมือนมีความสุขความจริงมัน มันเป็นญานเท่านั้นนะโลโลกหัวใจไม่มีมันไม่มีความสุขยิ้มออกมาแห้งๆอยงนั้นท่านอรเพราะถึงมันหาให้ความสุขทำไม่ได้ก็คือที่เลืมันฝังในใจหรือมาเตรียมรียมอาการประดับหน้าร้านไปอย่างนั้นอย่างนีดูมันครึ่งนใจเราดูมันไม่มีหายใครได้ความสุขในโลก อย่าไปสงสัยว่าโลกจะห า, าะออะความสุขเจอพอได้ปล่อยจิตปล่อยใจความสะดวกสบายเพราะความเป็นโลกเพราะความมั่งมีเพราะความเรียนมากเรียนสูงเพราะคนนับถือแต่มีความสุขเพราะการปฏิบัติธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมแก้ขีดที่เป็นก้าวสิบอยู่ภายในจิตใจออกนี้แหละ บอกความสุขที่นี่บอกความแห่งความไม่วางใจก็อยู่ที่นี่บอปกปวดจอยภาระทั้งหลายก็อยู่ที่นี่ทาอันนี้ให้สําเร็จงานของเราให้สําเร็จเนี่ยหท่านั้นแนหะจริงงานของเราเป็งานกรรมาฐานว่าง่ายหลมงพ่อที่เจ้าสอนสอนงานนัะเนแต่วันบวช ฟีเซ่ลอมานาคารันตาแตจูแตจูดันตานาคาลอมาฟืเซ่หนันมีเป็นเอกเทศสอนเป็นเอกเทศให้อนี้เป็นข้อมูลแล้วกระจายออกไปเป็นเหมือนกับเป็นกระทู้เหมือนกับเป็นกระทู้กแบแต่หมัดคือมัดเอาไว้เป็นกลุ่มเป็นมัดเป็นมัดแล้วนี่นกที่ขายวัย การานห้ามีที่ไหนมีอยู่ในกายกระจายไปจนมาสร้งอาการฐานที่สองกระจายออกให้รู้แจ้งว่าจริงในอาการฐานสองกระจายาไปเทียบเท่ากันทั่วโลกสงสารไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายมันไม่เหมือนกันนี่ทั้งนั้นนะั่นถึนกระจายนี่อยางงานงานของงานทางการหรือภพหรือชาติหรือวัฏสองสารอกสายหรือที่เหลือกันหาอาสวะออกจากใจ ค, คืองานอย่างนี้เอง สถานที่ที่ใ ด, ดที่เหมาะสมพระองค์ก็ลงแสดงไว้หมดแล้ว mm hmm. หลวงพ่อมูลเทศนาพลังตามป่าตามเขาตามทํางเนื้อผาหลงพ่ บ, บอกไว้หมดมี mm hmm. สถานที่เยอะขนาด น, นี้ตามนั่นสถานที่เหมาะสาหรับงานตกแต่งงานแล้วเป็นนี่เหมาะงานสถานที่เช่นนั้น การขบกันฉันก็ไม้พรุงพลังไม้พุ่มเพื่อเพื่อเพราะจะเป็นการกังวลกับเรื่องการดูการกิ่การภาวนาจำเนอยงฉันแต่เมื่อเดียวทนั้นพื้นเพย์จริงทั้งฉันเมื่อเดียวนอกจากนั้นก็มีดื่มข้าวยาคูยาคูก็แปลว่าเขาต้นเองดื่มน้ำเขาต้มแต่มีกรบาดได้แต่มันเกิดทำไมว่าให้เง่น ได้าาออมร า, ารานนานานนนินีน่ลองดิฝ้าตอนข้าวตอนกลางเพลินตอนเพลินดีมีดีฝ้าตอนท้ำด้วยใครเลยไปรู้มันยี่งันสามมันเต็มหัวใจแล้วมันจะไวหน่าไปอืมราดนั้นนั่นหมดทางสม เหมือนกับ น, นกมีแต่ปีกกระสังอล้องแขวะกองแขวะไม่ปรุงพลังห่วงหน้าห่วงหลังการดูการกินโลกก็อยู่ได้กินได้ยังไงเราก็เป็นคนคนหนึ่งเขาเป็นคนคนหนึ่งเขากินหน้าเรากินได้ไดสมมุติว่าอาหารนั้นดีอาหารนี้ไม่ดีนะว่ามันไปอย่างนั้นแลลหละโยนอาหารในทานนั้นเหมือนกันหมดกินได้หมดทั้งอิดกับพวินในนะ สอนท่างย่า ง, งง่ายย่างตัว ง, ง่ายไม่เพื่อไม่ให้กังวลเราเป็นคนทั้นไหนค น, นชั้นสูงทั้นต่ำคนเมืองนั้นเมืองนี้ไม่มีมีแต่นักบวชอาศัยขอทานเขากินเขาให้อะไรนาะก็กินตามเรื่องตามเราถ้าไม่ผิดก็โลกกับภัยขาดก็พาดเขาขันกินไป พออย่ี่ได้ตื่นไปในวันหนึ่งวันหนึ่งการการทำความเปลี่ยนไม่ล้นลกไม่ถอยหลังงานงานอื่นใดมายุ่งในการความเปลี่ยนพยายามทั้งเกลียวดูจิตจิตนีคิดอะไรเรื่องราวทั้งหลายที่มันเปนเรอารมณ์หนจิตจิตเป็นผู้ผิดขึ้นมาตรงขึ้นมาให้ทางเขาใจามีไม่อวดเข้าใจจริงๆ ค่อะไรเรื่องอารมณ์ของตัวเองอ่ะมันหล้มอยู่อารมณ์ของตัวเองคือกีดเนื้อออกปว่าหมาพเนื้อภาพเรื่องนั่นภาพเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้คิดมันดูกับเรื่องถ้ามีสติปัญญาแล้วมันจะติดต่อเกี่ยวเรื่องกันไปโดยลําดับลำดับเรียกว่าธรรมารมณ์เนี่ยธรรมารมธรรมาร้อหลงเพลินไปกับเรื่องกับเรา เวลาจิตสงบเรื่องเหล่านี้ก็ไม่หายเงียบกับเวลาที่เราทําหน้าที่ภาวนาของเราจะพิจารณาอาการดดกาาใดทําบบใดก็ตามแง่ใดก็ตามเราพิจารณาด้วยความสนใจอารมณ์ภายนอกจะไม่เกี่ยวข้องเพราะเหตุใรเพราะจิตไม่ออกไปเกี่ยวข้องจิตไม่ปรุเมเป็นเรื่องภายนอกเขา้ามาทําลายจิตใจจิต ท, ทาหน้าที่เพื่อถอนโดยถอนไม่ทําหน้าที่เพื่ อ, อสังสมจิเลสโดย การคิดกระตามอารมณ์ต่างๆที่เรียกว่าธรรมารมที่ก็สงบเดียนปัญญาโน้นเรียนฌ า, เาเนเรียนเรื่องจิตนี่มันก็รวดแล้วเราไม่ทันมันแหละไี้อันคิดไปได้อ่าะอันคิดไปแล้วเมื่อเรินเข้าไปปฏิบัติเข้าไปฝิดละเอียดเข้าไปสติปัญญาก็ ม, มีความแยามคมขึ้นคล่องแคล่แจ้กล้าขึ้นโดยลำดับ มันก็ทันที่แยกออกไปเรื่องอะไรภาพมันก็รู้อันนี้ปรุงออกไปแล้วพ อ, อปรุงภาพมันรู้มันกระดับภาพมันก็ไม่มีเรื่องปรุงเรื่องนึ่เรื่องชาเรื่องดีเรื่องชัว่วเรื่องอดีตอนาคตอะไรก็มีคนนิ่ผูพ้พรุงว่าดภาพเคื่อนลาวและหลอกหลอนเหมือนกับเขาดูหนังในผ้าอย่างเงี้ยวัดในจอในแกลนี่ดูหนังลูกเฉยๆเงาเฉย เป็นว่าอะ ไ, ไ้เงาอันนี้ก็เหมือนกันอารมณ์เนี่ยมันก็เหมือนนั้นแหละเงาของมันธรรมดนทันในนั้นทันในขนาดที่มันปรุงขึ้นแยบเรื่องอะไ ร, ม, ม, ระมันมันก็ดั บ, ดบเพราะติทันมันรทันปรุงทําดับพร้อมปรุงภาดับพร้อมเมื่อไม่ถรุงมันก็รู้อยู่ธรรมดาพอพูดถึงเรื่องนี้ก็ ทำให้เราคิดถึงดงเวลายอยู่ในป่าในเขาตอนจิตเกี่ยวกัเป็นจิตเป็นสมาธิว่าต้องอาศัยหลักจิตบังคับจิตไม่ให้ออกนอกจากความมรู้โดยในตัวเองไม่งั้นมันจะวาภาพเสือวาดภาพอันตรายขึ้นมาให้กลัวเพราะไปอยู่ในฐานที่กลัวด้วยในฐานที่มีสัวจริงๆด้วยอะ ต้องบังคับจิตแม่มันส่งออกไปภายนอกเลยมันรู้อยู่แบบนี้เป็นกับตายกับมอดแบบนี้จนกทั่งมันมีความอาจหานทานไทยในที่สุดเสือจะเดินมาต่อหน้าหลา่อตามันจะเดินเข้าไปหาลูกคำหลังเสือได้อย่างสบายเลยนะตามความนิสิตมันแน่ในใจนั่นไม่นึกว่าเสือจะทําอะไรได้เลยเนี่ยอาจจะเป็นความสาคัญปิดทั้ตงตัวเองก็ได้แต่สำคัญปิดที่ทำงานถูกก็ตาม เมื่อจีตได้ถึงขนาดแล้วมันไม่มีอะไรกวนใจความกลัวก็ไม่มีจิต ม, มีกําลังเพราะไม่ให้มันออกกําหนดของเรื่อยๆไปมันเป็นกําลังยึดแน่นปังเลยอ่าคือทุกอันตรายอะไรก็มาเถอะวางนั่นเลยนะมันอาถรรพ์นะเสื้อก็มาช้างก็มาไม่หนีวางนั่นเลยนะคือมันเป็นความอาถรของมันเองไม่คิดว่าเสือด้วยช้างอ่ะเป็นต้นนะทำไม ทำลายเราได้อยู่เดิน้ไปหาได้อย่างสบายแม้จะมันจะทําเราให้ฆ่าเราให้ตายในขณะนั้นก็รู้สึกจะตายไปด้วยแบบอาถารพ์นั่นเองให้ตายด้วยแบบกลัวนี่คงเป็นไปไม่ได้เพราะเวลานั้นสิบมันมีกําลังเป็นวิธีหนึ่งทางการระงับความกลัวทางการระงับความพุ่งสัความก่อขวนตัวเองด้วยอารมณ์ต่างๆระงับอย่างนี้ประกัน พอมันกล้าเข้าสื่ปัญญาเอาที่นี่เป็นอีกแบบหนึ่งนะการระงับความกลัวเป็นอีกแบบหนึ่งเพราะปัญญาอริยมารคที่มันผิดกันในคนคนเดียวนั่นแหละเราเองเราเคยปฏิบัติมาอย่างนั้นไม่มีใครบอกมาทารู้วิธีปฏิบัติต่ตัวเองเห็นเรื่องเมื่อกิจอยู่ในขั้นสมาธิมันก็เอาสมาธิเข้าบังคับกิให้สงบนะให้ส่งรับ แต่หาหลนงว่าเสือว่าช้างว่างูว่าอะไรว่าอันตลายอะไรไม่ให้ส่งไปเพราะมีเรื่องควรตัวเองเพราจิตไม่หลอกพอจิตกล้าเข้าวิปัถนาเนียับถึงยอดเสือนี่ยมันก็ทันแล้วนี่นะเพียงยับปรุงถึงภาพเสือมันก็ทันแล้วม mm ีป hmm. รุงภาพเสือเอาทันก็ก็ตามหามันตรุงให้เป็นเสือขึ้นมาแล้วแยกธาตเสือะ มันงที่เขียนคุยแยกคำามาแยกธัตเสือแยกอะไรเพราะเราดําเนินปัญญาอยู่แล้วนี่เจ้าสมาธิทำสมาธิมันไม่มันไม่เห็นด้วยจิตมันไม่ถนัดถนัดในการแยกอ่าเสือกูกลัวมันอะไรกลัวเสือกลัวตรงไหนจริงคือตั้งใหม้มันเห็นเป็นภาพเสืออย่างงั้นเราไม่ให้มันดับเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าภาพที่เราออกไปหลอกหลวงพองนี่เอาตั้งไว้ภาพนี้อ่ากลัวนะกลัวอะไร สติปัญญามันทันมันทันความเคลื่อนไหวของจิตมันทันเองนะนะมันแกี่กล้าเข้าไปมันทันเองอย่างนี้นี่คือความจริงในปูด่ทวเพื่อนฟังวิธีการฝึกติดตัวเองเมื่อมันรวดเร็วแล้วมันทันภาพปรุงคือเรื่องอะไรปั้มมันมันมันเห็นนั้นมันรู้นี้แยกออกไปแสดงทันทีพอรู้ภาพดับพร้อมอันนี้เราไม่ให้เราไม่ไม่ดับอราจะแยกน เพราะเป็นรูปายของปัญญาให้เป็นเครื่องหนุนติดใจให้เอียดเข้าไปนะอีกเขาแยกธาอตุกําหนดดูเสือกลัวอะไรมันอ่ะไ ล, ล่เบี้ยหานะกลัวตามหรือตาเราก็มีเหงืกลัวนะมันแก้อนะไรไะมกลัวแล็บเหมือเล็บเราก็มีเหงืกลัวนะกลัวขนมันหรือขนเราก็มีเหงืกลัวนะ กลัวคนนั้งกลัวคนเราี่คนนังคนเราก็อันเดียวกันธาอันเดียวกันนี่ยกลัวเขี้ยวมันหรือเขี้ยวเราก็มีเนี่ยกลัวไล่มันไล่หาจจนไม่มีัจนกระทั่งถึงหางบัวลาถึงหางนี่ก็มันจะจนมันก็ไม่จนนะเพราะเรามีหางอยู่จริงกลัวหางมันหรือกลัวหางมันตั้งแต่ตัวมันเองมันยังไม่เห็นกลัวแล้วจะกลัวหาประโยชอะไรแน่มันแก้ทํานะอืะเพราะฉะนั้นที่กําหนดกระจายเลยทีนกําหนด เพราะมันมันรวดเดินปัญญากําหนดที่แตกกระจายหมดอันนั้นก็แตกกระจายนะคือความปรุงของจิตออกเป็นี่ก็รู้คือตั้งเมื่อวลามันมันออกเป็นเป็นภาพเป็นภาพเสือให้มันเป็นภาพเสือซะก่อนจป็นพิจารณานั้นแล้วที่นี่กำหนดที่นี่มันกระจายไปเลยกําหนดกระจายนี่จิตมันไปแวบพอเพราเป็นภาพของจิตเองนี่พระสติปัญญามันทันเองมันทําลายกันเอง โดยสมมุติว่าเสือเอเพราสถานที่นครัมีเสือมันกลัวงั้นอ๋อนี่ให้มันดูซะก่อนมันลงไปก่อนมอดพอปรุงพันภาพมันก็ภาพอะไรมันก็ดับไปพร้อมดับไปพร้อมที่นี่ก็จะกลัวอะไรเพราะมีอะไรหลอกเป็นภาพของตัวเองไปหลอกตัวเองกระหังเสือก่าช้างว่างูว่าอะไรเจอจริงก็นั่นมันก็เป็น ธรรมชาติอันหนึ่งเราก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งเนี่ยมันก็ไปนั่นเสียมันก็ธาตุมันก็ธาตมันไปนั่นเสียจิตมันคลิกไปอย่างอื่นแล้วมันไม่คลิกไปทางให้กลัวมันก็ไม่กลัวจนกระทั่งมันว่างไปหมดมันมันก็ว่างไปหมดอะไรแยกมันมามันก็เพิ่มมอนก็แส่ห้อยมันเป็นออกมาเองแยกออนมาดับพร้อมดับพร้อมดับพรอมมีแต่ความว่างไปหมดเราจะกลัวอะไรทีจะจิตมันครอบร่างกายมีว่างไปหมดแล้วครอบโลกธาตุทั้งอีกด้วยแล้วคือไปกลัวอะไร วายวิธีร่างนักติเป็นอย่างนั้นร่านผอมขัวไม่ขัวต้องใช่า ย, ายวิธีปติปัญญาให้นำออกใช้แือนั่งเป้าเฉยคอ ย, ยอให้เกิดปัญญาไม่เกิดนะแบบว่าไม่บอกนะบอกมาหลายครั้งหงแนแล้วสมาธิ่ไหนปัญญาาก็ทนกระทัดแต่ตามขัน้นง มันพิจารณาหาวบากค้นหาวิบากชิดพิจารณามันเกิดปัญญาขึ้นมาเองพอเกิดขึ้นมามันก็ทําให้เข้าใจทําให้เข้าใจทีนี้มันก็เห็นคุณค่าของปัญญาจากนํากระเดินปัญญาเรื่อยปัญญาเป็นเครื่องแก้ทีเลียสมาธิเป็นตัวเมืองไล่กิเลสเข้ามารวมตัวให้ใจสงบใหยุดเยอกวุ่นวายไม่ทุ้งซ่าน รวตัวที่นี่ปัญญาผู้คขี่ชายอืเพื่อเหตุเพื่อผลแต่แค่กิเลสเห ต, เหตุผลพร้อมที่ตรงไหนกิเลส ห, ห, ห, หลุดลอยไปเหตุผลพร้อมที่ตรงไหนกิเลสหลุดลอยไปเรื่อยๆเรืยจิใจก็เกิดความสะดวกสบายถึงคุณค่าของปัญญาที่นี่หมูนี่แหลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรืยความเพียรไม่ต้องบอกถ้าลงปัญญาได้ออกก้าวเดินแล้วนะเนี่เรื่องความขี้เกียจขี้ขา่ามันหาหน้าไปหมดไปอยู่ไหนอยู่ได้ทั้งนั้ง จะดูในป่าในเขาแล้วว่าสถานที่เปนอหน้ากลัวไม่หน่ากลัวไม่สําคัญไม่สนใจเลยสนใจแต่กิเลสตัวมันกลวนี่เท่านั้นกลัวก็คือกิเลสเป็นผู้พาให้กลัวเนี่ยไม่ได้ว่าเสือเป็นอันตรายนะี่เลสที่เป็นอันตรายเนี่ยมันย้อนเข้ามานี่อสียกลัวเสือความกลัวนี่เป็นกิเลสเปลี่ยนเปนของเสือนั่นอยู่ตัวประมาณทถ้าเราให้ปรุงขึ้นว่าเสือ ม, มันปรุงขึ้นว่าอันตรายนี่ก็ไม่เห็นอะไรมาขายา่อจิตใจได้ก็คือความปรุงความแต่งความเกลียความ สารของกจิจนี้เองมันมาขยาบจิตใจไปเองให้รับความทุกข์ความทรมาเพราะฉะนั้นจริงอันนี้เป็นไผ่แนะมันเอาตรงนี้จะเป็นไผ่ไม่เห็นภายนอกเป็นไผ่มาเข้าถึงขั้นของจริงจริงมันมีแต่กิเลสกิเลสเป็นไผ่อะไรกิเลสเป็นไผ่อยู่ภายในี้มันรู้อยู่นี่เห็นอยู่นี่จะได้เนี่มาที่นี่มันจะไปตกคุปเงาอยู่โน่นน่องน่องนู่นทำไมเีุ่ปัญญาพอถึงขั้นแล้วมันหมุนติวติว อ, อยู่นี่มันรู้อยู่นี่เห็นอยู่นี่ อะไรก็ดุริพลแพงขึ้นอะไรคือว่าเป็นเรื่องของเฉลีนน้มันทันกันทันกันทันกันทันกันเรืเยเรยการปฏิบัติต่างๆผู้ใดเป็นคนชอบคิดชอบพิจารณาผู้นั้นแหละจะเข้าใจให้ดีแปลว่าเรามีสมาธิไม่มีสมาธิถึงเวลาที่ควรจะพิจารณาพิจารณา ความสงบก็เพื่อจิตสบายการพิจารณาก็เพื่อถอดถอนเรื่องของจิตก็เพื่อความสบายของจิตป่อยกังวลได้เป็นหน่อดับเหมือนกันเราจะไปข้าดงอนเราไม่มีภูมิสมาธิหร้อเราได้ภูมิมาที่รแค่นี้เป็นปัญญาไปไม่ได้พิจารณาปัญญาไปไม่ไ้จะราคาบหมายฮที่เด็ดมันมีขั้นไหนมันมีที่เด็ดขั้นไหนมัางมัเห็นมาบอกเราแต่มันแสดงขึ้นมาตรงไห น, นมันจะเป็นทีเด็ดเสียดทแทงหัวใจได้ทุกสิ่งทุกอย่าง ทุกอาการของยิ่งเลี้ที่มันแสดงออกมานั่นเราต้องคิดเทียบกันไปยิ่งเลี้ไม่เห็นว่ามีชั้นไหนภูมิใดมันทํามามันเป็นยิ่งเลี้ทุกระยะที่มันแสดงตัวออกมา แ, แล้วเรามีธรรมเงื่อไหนที่เร า, าจะพิจารณาทําไมด้องเป็นธรรมถึงวาระที่เราพิจารณาเราต้องพิจารณาเพราะวาราก็เพื่อแก้ยิ่งเลี้ยทำไมจะไม่เป็นธําต้องหอมนุนกันนปัญญาต้องหักหน้าหักหลัง ร้ยสันพันข่มไม่งั้นไม่ทันนะทั น, ทนยังพี่จะงาเหรอยินก็ทันว่ามหาฤทีิมหาปัญญาเป็นไงมหาฤที่มห า, มหาปัญญาท่านเกา่าตอนั้นมันฆ่ากันหมายนะจิตใจ โสดาพระกิทาพระนาคาบรรลุโสดาบรรลุโสกิทาบรรลุนาคาบรรลุอรหัตทหารน่าวางกับข้าไปตามจริงนะความบรรลุของเราเราก็จะบรรลุอย่างนั้นเราจับรรลุอย่างนี้มันก็ข่าไปทีนี้ความข้าเหล่านั้นน่ะกับความจริงที่เราปฏิบัติไปมันเป็นคนะโลกไม่ไม่ใช่อันเดียวกันเลยห่างกันคนะโลกเหมือนเราว่าถ้า เมืองอเมริก า, านี่เป็นต้นนะแล้วเมื่เกิดเห็นอเมริกาเช่นกรุงโอชิงต่ันพิงตันเลยผู้ไปเห็นแล้วในขณะที่เรากําลังาถถาลวาดภาพนั้นอะไรก็เรื่องอะไรก็ตามมันจะวาภาพเป็นอยงที่เมืองไหนก็ตามมันจะวาภาพเป็นอย่างทงีเราก็เชื่อมันว่าเป็นอยนางนั้นพอไปถึงนเข้ากับนั้นแหละภาพที่เราวาดไว้นั้นแหละกับความจรงิงมันเป็นคนละโลก แต่เราก็ไม่ยอมเห็นโทษว่าภาพที่เร า, าวาดไว้แต่ก่อนนั้นคือเครื่องหลอกเราแล้วมันเคยหลอกมาตั้งแต่ไหนตั้งพูดถึงเรื่องอะไรมันก็วาภาพนั้นขึ้นมาพูดเรื่องอะไรเรื่องคนเรื่องสัตว์เรื่องอะไรก็ตามมันต้องมีภาพมาประกอบทุกๆส่อนทุกอย่างทุกๆครั้งทุกๆเรื่องไปแต่เวลาไปถึงความจริงแล้วมันไม่ตรงกับความจริงแม้อันเดียวเลยอันนี้ ซึ่งควรจะเห็นโทษแต่เราก็มันยอมเหนเพราะนั้นจึงวิเคราะห์เมล็มันกล่อมคนให้หลักสนิทาดภาพมีวาดภาพมาเหมือนผ่นเหมือนกันสมังในโซดาเห็นจะเป็นอย่างนั้นสมัจิตาการนาคาเห็นจะเป็นอย่างนั้นเห็นจะเป็นอย่างนั้นมันเห็นจะเป็นอย่างนั้นมันว่าดภาพ ม, มันไว้เหมืนอนกันเหล่านี้ก็เป็นเครื่องหลอกอันหนึ่งเราไม่ต้องไปพาดเป็นหมายให้เดินตามนี้เลยหลักปัจจุบันธรรมเป็นหลักที่จริง ยังมรกคผลนิพพานให้เกิดภายในจิตใจสติเป็นของต้องการควบคุม ง, งานให้ดีไม่มีสติมีนทะเลสะไหลต้องมีสติควบคุมทุกกระทุกเถอะเพราะเป็นงานเอจะไม่ทุกข์ยังไงงานประเภทไหนงานนอกงานในมันก็ต้องมีความลาบากเป็นธรรมดาเพราะคนทํางานอันนี้ก็เราทํางานกิจตภาว น, นาสติก็ต้องมีต้องบั่งคับ จะานามันเห็นเลยเรื่องความเห็นด้วยความขัางงาน้นญาอไรมันผิดกับความจริงนะผิดกันมากวิสัยด้วยความจํากับความจริงเป็นคนละโลกอยากที่ว่าเห็นกายมือนกันผมเคยเห็นแล้วที่หลนาเราก็อาสายคาดไปแล้วก่อนหมายไปแล้วก่อนทีาก็อยู่นะพอพอมันได้จังหวะนี่จิตมันกาหนดจับปั๊บเข้าไปนะมันติดนั้นปับ๊บ มันไม่ยอมปล่อยเพราไม่ยอมปล่อยมันก็ชัดเข่าชัดเท่าชัดเท่ามันชัดไปหมดทั่วร่างกายเลยนีมันกระจายไปหมดเหมือนกระดาษซึมมีอ่ามันซึมไปหมดทั่วร่างกายจนกระทั่งความแตกหลายมันเป็นไปในในในนั้นให้เราเห็นให้เราดูมันทังไปแตกกจมันเปื่อยเน่าก็ดูให้เห็นไหมชัดมันพองตัวออกมามัน เป็นเป็นอย่างรวดเร็วนะ ป, ปุบ ป, ปับ ป, ปุบปับปุบปับปุปัยิ่งเกิดความสะดุดทางเวทโอเห็นอย่างนี้เหลอเห็นการเห็นอย่างนี้เหลอเห็นอย่างนี้เหลยนะท่ามันชัดหน้านี่หนนี่แหละประจักษสิทธิคือเห็นด้วยตนเองจริงเห็นด้วเป็นความจริงเป็นอย่างนี้คิดก็เห็นด้วยความจำเข้ชาชาัดเข้ชาชาัดเข้าแล้วเข้าเนอันนั้นขาดออกอันี้หลุดลงไปโดยเรื่ไม่กําหนดมันเป็นขึ้นมาเอง เป็นเพียงความรุ่นเห็นอย่างว่าอย่างนั้นน่ะในจุดเดียวที่มันกระจายไปหมดในะร่างกายทั้งรางอย่างนั้นขนาพิจารณาร่างกายตัวกําลังอวัยวะส่วนนั้นขาดลงนี่ขาดลงตกลงไปอยู่นั่นมันไม่มีความรู้สึกกายนะว่ากายมีนะหายเงียบไปหมดกระท่านพิจารณากายโดยอยา ง, ยยาา ง, ง, งั้อยู่นั่นแหละนามไปนี่จนกรทํามันลงถึงที่มนแล้ว ส่วนดิน Christmas, มันก็เห็นได้ชัดมันค่อยกระจายมาเป็มีมส่วนน้ามันก็ซึมลงไปในดินล้างขึ้นไปบนอากาศบ้างลมไฟกับไปตามสภาพทั้งหม่พอถึงนั้นหน <t> ึ <com> ่งก็ว <c oughs> ่างกปล่าไปหมดจิตมองเห็นเพ่อมองเห็นอย่างชัดชัดเลยุ่เห็นอย่างขึ ตล่มคือรวมกระดูกปางหาน้องน้ํากระจาดมันกลายเป็นน้าเป็นอมกลายเป็นดินไปหมดน้ำออกไปดับน้ำเหงดแห้งไปส่วนที่มันเปื่อยง้ามันก็เป็นดินไปอย่างรวดเร็วส่วนที่ยังไม่ง่าเป็นกระดูกนี่มันก็ยังเหลือกองกันมันทํางานขอมันเองไงนะเหมือนกับมันกวาดเข้ามาตะล่อมตัวเขมารวมกันเป็นกอง มันที่จะเอาไฟเผามันมันกลับไม่เป็นอย่างนั้นมันเป็นมันาอื่นนี่ร่างการทั้งหน้าการมันเป็นอย่างนี้เป็นธาอย่างนี้ยมันลําื้นมันถลดฟังเวทนะร่างกายตัวเองถูกพิจารณาจนเป่วยสลักหักทังไปยังเหลือแต่เพียงกระดูกแห้งๆดูนี่น้กระตุกมันเป็นดินมันเป็นอะไอย่างนี้มันเป็นอะไร กำลังกำหนดอยู่ในกองนั่นแหละไม่ทร า, า, าทบแผ่นดินมาจากที่ไหนปุ๊บมนเลยมารงนี้ปุ๊บทันทีเลยมามาปิดนี้เมือนก็มากบกองกระดูกที่เรากําลังกําลังกำหการมาการมากรบกันแผ่นดินมาจากที่ไหนมากรบกันปุ๊บนั่นนั่นก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งอ๋อมันก็เป็นดินแบบนี้เองเพราะว่างลงไปว่างหมด และมัดแรงเหลือเลยท nhập โอ้เข้าโบเขโว่างมาอย่างไรสิหมดความสาคัญมั่นหมายอะไรทั้งหมดมาสาวอยู่สูงอยู่ต่าอยู่ที่ไหนนั่งอยู่นอนอยู่อยู่กุฏิหรืออยู่ล่มไม้หรืออยู่ที่ไหนไม่สาคัญทั้งหมด มีแต่ความว่างความรู้หลังอย่างละเอียดสุ ข, ขุมเป็นความอัศจรรย์ของความรู้อ น, นั้นดูเท่านั้นจงึงทำได้ังหวะที่พอดีแล้วก็ค่อขยายตวัว<ป>ขยายตัวมาแล้วจนกระทั่งมาเป็นจิตธรรมดาตามขั้นภูมิของจิตแล้วมันยังว่างอยู่เลยกําหนดดูคุติหลางไหนก็ไม่เห็น มันว่างไปหมดเพราะอำนาจแห่งความว่างในภายในสมาธินั้นมันกำลังหายจางไปเพราะตอนนี้จิดตของเรายังไมไ่ถึงขั้นว่างเลยนะมันมาว่างมาตอนพิจารณานั่นต่างหูโ oh. ออาจาราย์ใมันละ่ะเห็นร่างกายเห็นชัดจริงๆไม่มีทางสงสัยว่าพิจารณาร่างกายเห็นได้ชัดเห็นวันนั้นนหละ วันนอกนั cool ้นมามันก็ไม่มันก็ไม่เป็นอย่างนั้นมามันเห็นก็เห็นแต่ว่ามันเปลี่ยนสภาพมันไปเรื่อยๆแต่เราก็มันอะไรเสียดายว่าอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากให้มันเป็นอย่างนี้มันเป็นไงก็มันเป็นไปตามเรื่องที่จะมาในวงปัจจุบันไปเรื่อยๆความเห็นก็เห็นไปเรื่อยจนกระทั่งการหมดความหมายจนมันรู้เท่าทันหมดเรื่อวงการหมดจนเกิดกายเป็นอากาศเป็นธาตุหมดคือการมันว่างวาย มันดูเท่าด้วยแล้วก็ว่างไปด้วยหลักการที่มีมาเราไม่สมใจควอมเป็นกกษตรกรมีเป็นพิธีงานเรื่องอทั้งยาเนี่ยสำคัญทั้งขันเกสัรยานสาคัญเอาไปดูปับปับปับปับปับอยู่พิธีงานพิธีงยเข้าใจ มันบ้าหมดเลมันบ้ากับฐานนิิตนะดูเฉยๆก็บ้าแม้แต่ภาวนาก็ว่างมัยังไงก็ว่างว่างหมดจนแมครูเขามองเห็นอยู่้วยตานยรันดรมองเห็นโดยตาแต่ใจมันทะปหมันเป็นเพียงเงๆมันว่างไปเมื่อถึงขั้นว่างอพถึงขั้นนี้อาจไม่คิดถึงอนัตตาและอนัตตุ หยุดผมไม่ทราบเปไ็นยังไงมันมันขัดขัดกันดีนะครับว่านักตรัสณละคณะถามจบลเขียนขอ ง, งก็สมบูรณ์เั็ที่แล้ผมก็เลยถามต่อไปเพราะที่มันสมมูรณ์เป็นที่เราเห็นอยู่นี่อริตตาปริยาจสุดรลงถึงขั้นมรัสมิสปิริมินติมโนทำทำในสิบปิมินติ มนุวิญญาณเนี่ป็นินตินมนยสัมผัสเซ่เป็นบินาติมนุษยสัมผัสจัตยาไอติเวรีตงสุขังวารุขังวารุขมารุอะขมาุสขังวารุจัตุมิ่งบินตินันนี่มันถึงใจแล้วส่วนไะให้ยจับุยภาพสิเบือน่ายในรูปแล้วก็ในเสียงฟ้อกันเบือหน่ายทั้งซ้ ความสัมผัสรับรู้ที่เกิดขึ้นจากระหว่างตากับลูกกระทบกันเกิดสุขขึ้นมาก็ตามพูกขึ้นมาสุขข้างวายสุขข้างวาอารมณ์มาสุขข้างมาเวรีต่างก็มันสะบอยประการนี้เป็นมีติคือเบื่อหน่ายในสิ่งนี้เนี่ย ทั้งทั้งทั้งตาทั้งรูปทั้งสิ่งที่เขามาเกี่ยวข้องนั้นเป็นมิญญาขึ้นมาจนถึงกับเกิดเบื้องาเมื่องฐานทั้งหมดแล้วก็สรุปก็เลยถึงเป็มานมนรตมิ่งปินบินาตินี่เรามาเทียบเทียมกับการปฏิบัติของเราไนะมานรตมิ่งปิน บ, บินาติขึ้นเบื้องหน่อย้นใจนะมรรตมิ่งมรณะในใจเนะบื้องหน่อยในจิตนใจมารตมิ่ปีนินติ ทำเมสุปินิบิณติเบื้องหน้าในทำทั้งทำอารมณ์ทั้งหลายมโนวิญญาณเนปินิบิณติเบื้องหน้าในความรู้ที่เกิดขึ้นจากวิญญาณนี่ที่รับสรางกับอารมณ์แห่งธรรมที่เป็นอารมณ์แห่งธรรมนวิญญาเนปินิบิติมโนสัมพัทธปิติเบื้อหน้าในความสัมผัสมโนสัมผัทธ์ปิิติ เองลุ่มจังทองจนคลองจนแถวดีละมันเ <c oughs> <so> <c oughs> <inate> ่าแตงมันเป็นลุ่มจ้มโนวิญญาณมีนปิ่นปิ่งดิมโนซ้ำตะเซ่ปิ่งเดียิมันยันไปดังมโนสัมประจัปัญญาปฏิเวรยิ่ตังมันเกิดขึ้นให้สบถสุขข้างวารูกข้างวารู้กุมารุสุขข้างวารู้สุขะตามทุขะตามไม่สุขะตามสุขะตามตัสมิตปิ่นตินักเบื่อหน่ายทั้งหมหนั นี่นถึงถึงใจจริงพอตอนนี้นี่เปนรพนิบิดังวิรัตติอะไีเมื่อบนหน้าเยี่ยงค้ากรหนันี่เป็ดังรตตองราวมุติสิมุติมีมุติมีติงานทงโหติโหงรมิตริยังกตังการิยงรังนับพระมิต ร, ริปิปะนันตินมติจักภวทัศนิกุสัะ ยิโนรตพโลวาเต็มไปคู่ว่าตัวภัยต่างพินดุงเพศสุขทหลายนั้นไม่มีความลื่นในธรรมเท่าแต่ว่าอันนี้ไม่เป็นอย่างนั้นเพาะ่ตัดสายพิกูชาสัตวานุปาลอาศัยกิตาสุกหนักเมื่พระองค์ได้จัดธรรมาธรรมะวิยาจะมือวิยากอนว่าผีหมากว่าธรรมะที่ยอดเยี่ยม สาสฎรกุศาสรรสาริญหนึ 1, ่งพันนั้นหนึ่งพัน้ได้พ้นแล้วจิตารมิมุจิงสุขุดพ้นแล้วอาจจะเห็นจิตาริมจิงสุขพ้นแล้วจ ะ, วจะกอาชวะทั้งปวงนั mm ่น hmm. ถึงใจแต่คณะต่ภาณะสูงไม่เป็นอย่างนั้น ปฏิบัติมันก็ไม่ด้เป็นอย่างนั้นนี่ยิงแยงกันอยู่เราเราว่าเข้าใจว่าเสียใจที่ท่านแต่งท่านจะจะตัดถ้ามาตัดจิตจะต้องอยู่น um ั้นแน่แน่เบอร์หนารูปเบนานเาเบอร์หนาในนานูปัจจุบปีบียดเวนาปีเีสันยาปีเียดสังขารเวสปิี เงี่ย <rôle> ท <à déc> ี่มิปฏิบเรินในรูปในสัญญาในสารในยินยันที่มอยาในปฏิบิณฑ์เมื่อไหร่าจะขาดกำนังไปเนี่ยเวเราปฏิบัติไม่เป็นอย่างนั้นรู้เท่าเรื่องนะครับห้ามรู้ท่าชัดๆเข้าใจชัดๆไม่มีทางถูกลงการจิตชิงชัยการพิจามาอะไรอีกอะไรกัพิจารณาเมื่อไง รูปเวทนาสัญญาสังขารยัญญาที่มันตาผมนี่รู้มันทั้งเกิดทั้งดับมาเป็นอัตตาล้วนๆมันลงในอัตตาอาการพิจารณาสัญญาแสงผมนี่จังทุกขังในว่าไปแล้วมันลงอเป็นอัตตาล้วนรูปปงอัตตาเวนานาตาสัญญาตาสร้างขารานาตาวิญญาณานาตาไปเลยเวลามันจะรวมยอดทั้งหมมันมีแต่เป็นธรรมานาตาทั้งนั้นรวมแล้วเป็นธรรมานาตาทั้งห้าอย่างนี้เป็นธรรมานาตาธรรมานาตาแต่มันก็ไม่แล้ว พันห้าเป็นหนาสามันไมไ่แล้วในจิตมันจะมีบิดามีลัสสตีได้ยังไงนีเ่เมื่อเบอร์หนาย่อมคลายกำนัดเมื่อคลายกำนังจิต้องหลุ ด, ด พ, นนพน้นเมื่อหลุดพ้นญาณความรู้แจ้งชัดว่าหลุดพ้นแล้ว ย, ย, ย, ย่อมมีย่อมมีเห็นไหมมุตติมิตรมุตติงานนาณังโงนะหติน่ะญาณความรู้แจ้งชัดว่าหลุดพ้นแล้วย่อมมีเรามันไม่มเีเพียงจะรู้รเท่าขันห้าแต่นั้นมันไม่มีมันไม่เบื่อหนา่ายมันไม่คลายกำนัด อะไรๆถ้ามันไม่เข้าถึงจิตซะก่อนนั่นนะพอห้านี้อาการนี้มันปล่อยหมดแล้วมันก็ยังเหลือแต่จิตดวงเดีดดดดยวที่นี่นั่นมันเข้าไพิจารณานั่นอีกพอจิตตรงนั้นก็ตัดอาการอันหมดแล้วสมุนทความวิชาทางเดินของวิชาหรือเครื่องมือของวิชาในเกศรูปเวทนาสามสังขารวิญญานนี้มันถูกตัดหมดแล้วคีอเรารู้ท่าเข้าถันท่าถันนะเหลืแลอแต่ความรู้อันเดียวทั้น เ, เราไม่เราไม่พาโปรดว่าได้คาขนาดหรือได้บูดพ้นในขณะที่นอกกันห้านั้นเลยมันต้องฟาดศีลนี้ จ, จนแหลกจนนั่นนี่แตกกระจายไป น, นั่นออกจากนั้นแล้วแต่ว่านี่มี็นทางวิจิตรวิจิมันหมดปัญหานี่ถ้ามันค้านกันมันค้านกันอย่างนี้มันค้านในท่าปฏิบัติเป็นส่วนคาร์าเล่าพินหรืออะไร ในอริยปยาสูตรเรายอมรับทันทีเลยนั่นถูกต้องคือปฏิบัติจนกระทั่งถึงจิตเข้าเบื่อหน่ายในจิตอีกหนึ่งไม่เบื่อหน่ายในจิตภายนอกเพราะนั้นนั่ต้องเข้าเบื่อหนายในจิตอารมณ์ที่เกิดจากจิตอะไรแล้วเบื่อหน่ายนั้นเสร็จเลยเบื่อหนายเนยียธรรมอารมเบื่อหน่ายนายี่มันสุขที่มาสัมผสัสภายในจิตธรรมอารมอืมเป็นสุขเป็นทุกเกบื่อหน่ายพร้อมทั้งหมดเลยตาขึ้นิ่งป็นี้นิติเลยนะรวบเข้มาตัดนยิ่งหน่อยนะคุณว่ารวบทั้งหมด ถาเป็นภาษาบรลีก็เรียกว่ายกสรพนามขึ้นตัดนิ่งปีเลยอย่างหมดคือไม่ต้องพูดอีกสายผลเช่นชื่อคนนั้นจะเป็นนี้เราเขาขึ้นเลยโซนว่าเขานะ่ะหมายมันเป็นสรพนานใช่แทนตัวรลยะโซนว่าเขาโซนว่า ม, ามันนเอันนี้ตัดนิ่งปีนี่เนจิคือบรราในสิ่งตอนนั้นทั้งหมดนี่บินดามาร า, าจะติตายตลอดในจิตนั่นก็เป็นอย่างนั้นพรทิจงา นี่เข้าใจแล้วมันก็ตามเข้าไปถึงจิดเป็นทะลุในจิตแล้วมันต้อผ่านพิจ า, ารณากั้นห้านี่พอพิจ า, ารณาขั้นห้าเข้าใจหมดแล้วมันผ่านไม่ได้นี่มันไม่ได้เข้าไปถึงจิตด้วยก่อนมันผ่านไม่ได้นีออ่มันจึงขวางอยู่นะจิตไม่